M ada d a kalimat u Rabbi namanya. J, m e s i J. J อาัจเจอาณาอประชันเียบกลม่สุลกุม bom um. ดะบิบัดดัตีดัตีบิริดาเยติอัลกินินตาฮิลาบิริดาเยติอัลกินินตาฮิลาบิริด اللهم ب m m ص ب ح ن ا و ب i k أمسينا و ب i نحيا و ب i نموت و إلىك النشور ع و ذ بكلمات الله ا ل ت ا م من شر ما خلق ع و ذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ع و ذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شايع في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شايع في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي لا ي ض ر مع ا س م ه ش ي ء في ا ل أ ر ض ولا في ا ل س م ا ء وهو س م ي ع ا ل ع ل ي م ر ض ي ت ب ا ل ل ه ربَّ و ب ا ل إ س ل ا م د ي ن ا و ب م ح م د ا ل ر س و ل ر ض ي ت ب ا ل ل ه ر ب َ و ب ا ل إ س ل ا م دينَ و ب م ح م د الرسولَ ر ับด ah uh. <c oughs> no ah ีต ل บิลลาฮิรับบะวับิลอิสลามดีนะวั س ิมุฮัมมัดอิรสุลลั ل ลามุอะลัยคที่น้องที่ร่วมนมาดจม اعة ศุภที่รักน้องรายการอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอาน เป็นทางนำสำหรับชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่ามีอยู่กลุ่มเดียวที่อ่านอัลกรุรอานแล้วก็มีอยู่น้อยไม่เยอะเท่าไรที่อ่านกุรอานแล้วรู้ความหมายของอัลกรุรอานส่วนใหญ่นี่อ่านกุรอานเพื่อเอาบารากัดเอาผ ล, ละบุญแต่ว่าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสอนอะไรไม่รู้ เราเราก็พยายามที่จะเอาความรู้ที่อยู่ในอัลกรุรอานเนี่ยมาอธิบายเพื่อจะได้เอามาเป็นประโยชน์เอามาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเองขอบคุณเอาล่อหน้าที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานมาปีนี้เป็นปีที่สิบแปดแล้วก็มาถึงซูราะที่สิบแปดก็ประมาณปีและหนึ่งซูาะ ประมาณนั่นแหละหนึ่งสุรแต่ไซยิญาอุมัดเนี่ยรู้เปล่าไซยิาอุมัดซึ่งเป็นคอลีฟะเนี่ยอ่านกุรานไม่ใช่อ่านนะับซีกุรานเนี่ยสิบสองปีสุรเดียวสำหรับสุรบะกรองเนี่ยไซยาอุมัดเป็นคอลีฟะนเมื่อหนึ่งพันสี่รปีเนี่ยเาอ่านกุรานสุรเดียวพร้อมกับหาความรู้หาความหมายจากอักุรอานสุรเดียวน่ยสิบปี ขอบคุณเอกร้นะที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานจะอัลกุรอานนี่ทำให้เราเนี่ยฉลาดขึ้นทำให้เรานี่น ห, หูตาสว่างทำอยุดินละวพออ่านกุรอานไปรู้ความหมายไปแล้วก็อธิบายจากตับซีดเนี่ยนะจากหลายๆเล่มเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าสุนนะของท่านนาบีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าตับซีดเนี่ยผู้ที่อธิบายตับซีดที่ดีที่สุดก็คือนบี ม, มูฮัมมัดสอลลัลวะสัลลัมแล้วก็บรรดาสุฮาบะฮ์ทท่านนาบีนะไปอธิบายอย่างอายะที่เราจะอ่านในอายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยนะอาจจะได้ก่อนก่อนที่เราจะถึงอายะนี้เนี่ก็ขอทวนนิดนึงนะ อายะที่ท ah ี่ผ <t> ่านมาแล้วเนี่ยในอัลกุรอานเราพบบอกว่าอินนาอารดอนัลไม่ใช่อินน่าเราเนี่ยอารดอนน่าจัฮันนามายาวมาอิซิลลิลคาฟีรีนอารอดาอายะที่หนึ่งรอยเนี่ยว่อารดนาจัฮันนามายาวมาอิซิลลิลคาฟีรีนอารดา ตรงนี้แปลว่าอะไรวันนั้นหมายถึงวันเกี่ยมะีทวนะทวนะทวนนะวันนั้นน่ะหมายถึงวันเกี่ยมะเราจะนำนรกมาซึ่งซึ่งนะ้าเปิดเผยแก่พวกปฏิเสธให้เห็นได้ชัดชัดให้เห็นได้ถนัดตาเลยทำไมอลัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ต้องการที่ ให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้ว่าเมื่อถึงเมื่อทุกคนตายแล้วต้องฟืน้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาหูต่าลทุกคนทุกคนที่ตายเท่าไรก็เกิดเท่านั้นแหละนะตายเท่าไรเกิดเท่านั้นทีนี้เกิดมาทำไมอ่ะนี่ไงคนที่ทำความดีก็จะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอ คนที่ค้านอาลัลลอ์ค้านนาบีนะครับคนที่ไม่เชื่อฟังสิ่งที่อลัลลอฮ์สอนในการภพริจารณาแล้วก็ขวางสุนนะหนานบีเนี่ยนะอลัลลอ์จะให้เห็นเห็นอะไรเห็นนรกซึ่งซึ่งหน้าอัลลอ์จะให้มาลายการนี่นะพานรกมาอารอดดนาจะหันน้ำวันนั้นเราจะนำนรกมา ในไตรทศเสดอธิบายดีเขาบอกมีมาลาอีกาเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นอ ง, งานลากนรกมาดึงนรกมาเนี่ยอัลลอฮฺว่ากันให้คนกาเฟตได้เห็นแล้วก็เห็นที่อยู่ข้างในด้วยไม่จะเห็นเฉพาะตัวนรกนะเห็นที่อยู่ข้างในนรกว่าคนกาเฟตจะต้องถูกลงโทษอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ไอเห็นนะ <S <S เห็นกี่นาทีมันจะเห็นแป๊บเดียวนะไม่ใช่นะอย่าลืมว่าวันหนึ่งในในวันเตียมาเนี่ยความยาวของมันนะห้าหมื่นปีนะวันหนึ่งเท่าไหรนะห้าหมืนปีคอมซีนะอัลฟาะนาะห้าสิบพันปีนะเท่าไรก็ห้าหมืนนะทำไมเห็นอาถ้าเห็นนรกและเห็นที่อยู่ในนรกเนี่ย ครึ่งวันครึ่งวันเท่าไรสองหมื 25, ่ห้าพันปีทำไมต้องให้เห็นละ่ะพอเห็นแล้วมันทุกข์อ่ะอ๋อแล้วฉันจะต้องไปอยู่ในนรกอนะ่ะแล้วก็สาภาพเป็นอย่างนงี้ฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเห็นอย่างนี้นานถึงสองพันห้าร้อยปีเนี่ยสร้างความทุกข์ทรมานที่อยู่ในใจของเขาเองยังไม่ได้เข้านะเห็นอย่างเดียวเพื่อจะมาแก้แค้นอ่ะ วันนี้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยคนที่แอนตี้อัลลอฮ์แอนตี้สุนนะนบีเค้นฆ่าเป็นน้องมุสลิมใช่หรือไม่ใช่ทุกประเทศในโลกใช่ไหมที่ภาคใต้ก็ถูกที่โซมาเลียก็ถูกที่ไหนถูกอีกที่คาซัมิดถูกที่ปากีสถานถูกที่ประเทศอะไรอีกอัฟกานิสถานถูกที่อิรักถูกซีเรียถูกอียิปถูก คนที่ไม่เอาอัลลอ์ไม่เอารอซูและเคห น, น้าผิวนองมุสลิมจะเป็นใครก็ตามระดับไหนก็ตามเขาจะได้เห็นนรกแล้วก็เห็ น, นเห็นนี่มันเห็นแป๊บเดียวนะเห็นนานครึ่งวันครึ่งวันอธิบายยังไง2 5ง0 0ื 25, ันปีเห็นแล้วก็ทุกเพื่อไปแก้แค้นที่พวกเราคนที่เอาศาสนาวะเนี่ยเล่นงานผิวนองมุสลิ ม, มเห็นยังไง นี่คุรานเล่ า, าเรื่องจริงๆทั้งหมดเนี่ยฉะนั้นโลกใบนี้เดินตามอัลกุรอานทั้งหมดนะีทีนี้ต้องการจะอธิบายนิดนึงว่าแอนตี้ซุนนะนบีปฏิเสธซุนนะนบีนะแล้วก็ต่อต้านซุนนะนบีนี่นะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยมีแต่ขาดทุนกับขาดทุน ไม่มีอะไรดีเลยคนที่ค้านสุน น, นา้านบีต่อต้านสุน น, นา้านะบีไม่มีอะไรดีเลยมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนคุณอ่านอญญายาหนึ่งเล่าอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะภรรยานะบีมีอยู่หลายคนพอตอนเย็นๆหลังนมาศอัลอรี่แล้วนบีจะเยี่ยมภรรยาบ้านที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าคือจะมีลูกเท้าวเท้าให้ก็หลังกันหลังหลังหลังหลังก็ไปเยี่ยม เยี่ยมเยี่ยมทุกคนเนะนี่ยมีพรรยาอยู่สองคนที่วางแผนวางแผนไม่ดีนะทำร้ายนาบีนั่นแหละท่านหญิงไอาชากับท่านหญิงฮับซะอ ส, สองคนปรึกษากันว่าเดี๋ยวนบีมาบ้านเรากินข้าวบันเธอร์หรือข้ามันฉันก็าตามแต่ให้พูดว่าอย่างนี้นบีประธานจะมาเนี่ยปากเหม็นเน้นแค่นี้เองนะนี่นะต่อต้านนาบีนะ่นเนี่ยเสร็จแล้วก็พอนบีเข้ามา นบีไปเนี่ยแล้วพี่พี่ที่รักจ๋าไปทําอะไรมาดิปากเหม็นน่าดูเลยนี่ภาษานี่ภาษาโกหกเท่านั้นน่ะไม่ใช่จริงเพราะว่าไม่อยากจะเห็นนบีนั่งบันนั่นบันนั้นนามันนั่งบันฉันบันเดียวหรือผ่านอะไรเงี้ยผู้หญิงก็หึงหงกันนี่ไงนะนาย บ, บีบอกว่าฉันไปดื่มน้ําผึ้งอ่าที่บ้านท่านหญิงไซนับบินตัญยะชโอแต่หาว่ากินน้ําผึ้งแล้วมันเหม็นปากนะ ตั้งแต่วันนี้ไปฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์จะไม่กินน้ำพึ่งอีกต่อไปข้างบนไม่พอใจอ่ะอัลลอฮ์ไม่พอใจให้มาลายกาญิบรี ล, ลงมาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ลิมาตุฮาริมุมาอัลฮลลอฮูลักยาอายุฮันนบีอยู่ในสุราอื่นนะโอ้นบีเอ๋ยนบีมุฮัมมัดนะอัลลอฮ์ไม่เคยเอ่ยชื่อ ม, มามเรียก น, นบีจ้ยาอยายุหันนบีนบีเอ๋ย ห้าตัวฮัลริมูมาอัลฮัลลอฮุลักของที่ฮาัลลันไปสาบานว่าจะไม่ดื่มทําไมพอไม่ดื่มากลายเป็นของอะไรฮารอมของฮาลลาันทำไมทําเป็นของฮารอมทําไมอัลลอห์ไม่พอใจที่นบีพูดอย่างนี้พวดจะเอาใจภรรยาแต่บัตารติแต่มาร์บอแต่อซวะยิกนบีพูดว่าฉันจะไม่ดื่มน้ําผึ้งเนี่ย ให้กับภรรยาคนนี้ฟังพื่จะเอาใจภรรยาคนนี้แต่ข้างบนพอใจไหมไม่พอใจอัลลอฮ์ก็สั่งให้ให้ให้ผูห้หญิงสองคนนี้เตาบาตัว บ, วบอกเตบาบาสะอินตะตูบาอิลลอห์ฟักกัดซอกรักกูลูบุกุมาแตหากภรรยาสองคนนี้เตาบาตัวต่ออัลลอฮ์ฟักกัดซอกรักกูลูบุกุมาเพราะหัวใจของภรรยาสองคนเนี่ยอ่อนโยนอยู่แล้วทําอะไรผิดนิดนึงก็เตาบาตัวซะ แต่นี้ถ้าดันทุรังไม่สบตาตัวต่อหรอว่าอินตอฮะรอทต่าหากสองท่านนี้สองคนเนี้ยสนับสนุนการต่อต้านนาบีเหตุ <c oughs> ที่กูอานที่ลงมาเนี่ยไม่ใช่เล่าเฉพาะเรื่องนี้ <c oughs> เรื่องเรื่องเดียวเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันใครที่ต่อต้านนาบีจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสบ า, นาบ้านนบีหรือจะเป็นใครก็ตาม พวกเราวันนี้ก็เหมือนกันท้าต่อต้านนบีใครขาดทุนไม่ใช่นบีขาดทุนนะใครขาดทุนคนที่ต่อต้านเองขาดทุนว่อินตาฮาร อ, รอฉนันคนนี้ไม่แอนตี้นบีมุฮัมมัดวันนี้นบีไม่มีแล้วแอนตี้สุนนะนบีฉันไม่เอาสุนนะนบีเข้าออบ้านเห็นไหมเคยได้ยินใช่ไหม บ้านใดที่เอาซุน่านาบีอิหมามประกาศเลยตายแล้วห้าวฝังที่กูบูของเราให้ไปนมาที่อื่นให้หมดผมก็แนะนําว่าตายแล้วก็นอนเฉยๆอย่ากระดิกอย่าหายใจถ้าคนในบ้านไม่ฝังนะ่ะบาปทั้งบาปทั้งหมู่บ้านเลยนั่นเวลาตายตายให้นอนให้สบายอยู่เฉยๆให้มันเน่าไปที่บ้านนั่นแหละแล้วก็บาปหมดเลยเอาไหมไม่มีใครเอาอช่ไหมละ่ะ อิหม่ามก็ครูก็ครูก็ครูไปทีนี้ถามว่าถ้าต่อต้านนาบีจะเป็นสมัยไหนก็ตามยิ่งสมัยนี้ต่อต้านซุนนะนบีรู้ไม่ได้อะไรคนที่ต่อต้านขาดทุนเองส่วนนบีมุฮัมมัดอัลลอบ์สัญญาเลยฟาอินนัลลอฮาแท้จริงอัลลอ์นั้นฮุวเมาลาฮูอัลลอ์เป็นผู้คุ้มครอง ใครคุ้มครองอัลลอ์คุ้มครองนบีอัลลอฮ์เข้าข้างนบีไม่ใช่เข้าข้างคนที่แอนตี้นบีและใครอีกที่เข้าข้างอวยยิบรีลใครอีกท่านยิบรีลอะลัยฮิสลามเป็นมลายิกะเข้าข้างนบีอีกแล้วใครเข้าข้างอีกวะซอลีฮ์ลมุมินินใครอีกมุมิน คนมุมินที่เป็นคนซอละครับสามแล้วนะอัลลอฮ์เข้าข้างนบีกิบรีลเข้าข้าง น, า บ, บ, าางนาบีวาซอลยหุูมุมินินคนซอละคนมุมินที่ซอละเข้าข้างนาบีแล้วก็อะไรอีกวันมาลาอิกาตุและมาลาอิกะเข้าข้างนาบีมีกี่องค์กรสี่ใช่ไหมอัลลอฮ์กิบริล มุมินคนที่เป็นคนดีและมลายิกาเข้าข้างใครเข้าข้างนบีต้องการจะให้พวกเราทราบว่าใครที่ต่อต้านนบีมีแต่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนฉะนั้นเพราะอัลลอ์เนี่ยคุมครองนบียิบรีนคุ้มครองนบีมุมินคนที่เป็นคนดีๆทั้งหลายอยู่ข้างนบีและมลาอิกาอยู่ข้างนบีสิ่งที่ มองเห็นน่ะรายการเดียวใช่ไหมซอเรหุลมุมีหนึ่งคนซอแรกเนี่ยเข้าข้างนบีหมดละอย่างเราเข้าข้างนบีไหมเข้าข้างนบีช่านใครที่ต่อต้านนบีต่อต้านซุนนะนบีชั้นไม่เอาซุนนะเข้ามัสยิดไม่เอาซุนนะเข้าคลองไม่เอาซุนนะเข้าบ้านคนที่ไม่เอาซุนนะเข้าคนนั้นขาดทุนเพราะอัลลอฮ์เข้าข้างมูฮัมหมัดใช่ไหมนี่ไงได้ความรู้เต็มเลยอำเต็มเลยละเอามาดูคุณอ่านอายานี้ หนึเจนะครับอินนั้ลทีนัอัมานูว่ามิลุศัลยฮัตอินนั้ลทีนัอัมานูว่ามิลุศัลยฮัตแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและว่ามิลุศัลยฮัตและประกอบการงานที่ดีเห็นไหมอีมานอย่างเดียวสำเร็จไหม แค่อิมานอย่างเดียว I believe I faith in Allah ไม่สำเร็จแต่ต้องมีอะไรคู่กันอามัณฑิสอและต้องทำงานด้วยต้องมีต้องมีอามัณฑิสรและอิมานอย่างเดียวไม่สำเร็จฉันรักอัลลอ์ฉันเชื่ออัลลอ์ทีนี้อามัณฑิสรและเนี่ยผ่านใครจะทำงานที่ดีมันต้องทำตามใครนบี พออัลลอฮ์มันจะลงมาสแสดงเองเนี่ยอลัลลอฮ์ส่งนบีมัมดาสแสดงอ่ะเห่นไหมอา้าวซอลลูบะจงจ ง, จงนามาดก็จงนามาดเหมือนนบีให้ถือสศนลอดในคัมภีร์กุรอานสั่งซู้โมจงถือสศนลอดถือยังไงอ่ะที่อลัลลอฮ์พอใจก็ต้องถือตามนบีนอนเราเราบอกนอนจะที่จะนอนยังไงที่อลัลลอฮ์พอใจก็ต้องนึกถึงใครนึกถึงสุนนะท่านนบี ฉะนั้นใครที่แอนตี้ซุนนนาบีมีแต่ขาดทุนกขาดทุนอย่างเดียวเลยฉะนั้นอินนัลลาีนอามนูวามิลุสอลิฮแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ที่ประกอบการงานที่ดีทั้งหลายนี่นะกาณาสลหุมลหุมเ ah um นี่ยแปลว่าสำหรับพวกเขาเหล่านั้นได้อะไร จันน่าทุลฟิรดาวสจันน่าเนี่ยเป็นพระหูพิท์ของคำว่าจันน่าแปลว่าสวนสวรรค์หลายหลายสวนสวนสวรรค์ฟิรดาวสเนี่ยเป็นสวนสวรรค์ที่พิเศษที่สุดดีที่สุดอยู่ที่ไหนนู่นน่ะอยู่ใกล้ๆกล้บัลลังก์อัลลอฮ์ س ب ح ال ا ละ์ุ แต่ทันงเวลา น, นาบีเลยสั่งว่าเวลาจะขอขอเข้าสวรรค์น่ะอย่าไปขอสวรรค์ชั้นตำตำให้ขอสวรรค์ชั้นฟิลเดาเลยอัลลอฮ์โปรดให้ชั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์ชั้นฟิลเดาในตัฟซีดภาษาอุต ด, ดูอธิบายดีนะเขาว่าฟิลเดาเนี่ยเป็นภาษาอับดับด้วยแล้วก็ฝรั่งก็เอาไปใช้ภาษางกฤษก็เอาไปใชาากก้ p า, า r a d i s e เอเมาชาจยยูดิสซิคอนเนี่ยค่างๆซีคนเนี่ยก็มียังไหมพาลาไดส์ Paradise. นั่ น, นสู่สวรรค์จริงของ อ, อร่อยไม่ได้ไอ้ น, นี่มันเทียมๆบันไดแค่แค่บันไดเองนะยังไม่ถึงไหนใช่ไหมฟิลด์าวน์นี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษภาษาเบอร์ชิอาภาษาอุน ด, ดูเอาไปฉายหมดเลยฟิลดาวน์พระว่าสวนสวรรค์ชั้นพิเศษนะ อันนาหุม <English> จันนตุฟิดดาวสำหรับพวกเขานั้นคือสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นูซูลเป็นการต้อนรับอัลลอฮ์จัดเอาไว้แล้วสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์เอาไว้ต้อนรับคนที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอ์และเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละอิมาซล แต่อธิบายไปแล้วนะนบีสอนอย่างนี้อิดะสัลตุมุลลออจันนะเมื่อท่านทั้งหลายขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ได้สวรรค์ฟาสอลูลฟสอลูลฟิรดาวุสเวลาขอจงขอให้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวุสทำไมฟาอินนาูอัลจันนะมีฮะดีสอิมามบุคอยมุสลิมนะแท้จริงสวรรค์เนี่ยอยู่ในชั้นที่สูงที่สุด เด่นที่สุดสง่างามที่สุดสวยที่สุดอยู่ที่ไหนอยู่กลางของสวนคือสวรรค์นั้นมันอยู่ตรงกลางเลยนะกลางสวยเด่นที่สุดอยู่ตรงกลางนะวามินฮูและจากสวรรค์ชั้นนี้นะตูฟัดจิรุอันฮารุจันนะแม่น้าหลายสายออกมาจากสวนสวรรค์อันนี้มีแม่น้ำอะไรบ้างที่เราเรียนมา ก, ก็คือน้าธรรมดาเนี่ยสะอาด น้ำพึ่งน้ำเหล้าน้ำนมมาต่อไปซื้อถามว่าสี่สายแม่น้ำสี่สายเนี่ยเอาใจใครก็เอาใจคนที่ทําความดีไม่เคยแตะเลยเหล้าก็ไม่ได้กินตอนอยู่บนดุนยาเห็นเห็นคนไม่เอ า, าศาสนากินกันโอโ้เราก็นั่งมองอแหม่ไม่ปไปได้เดี๋ยวเราอดเปรี้ยวไปกินอะไรนะไปกินหพานในสวนสวรรค์ดีกว่าน้ำพึ่ง อ, อัร่อยวันนี้บางคน กินน้ำพึ่งปลอมตลอดใช่หรือไม่ใช่มาหวานขึน้นไปกินน้ำพึ่งดีที่ไหนในสวนสวรรค์น้ำวันนี้ขณะที่ MTV ีวี่ควรกิบบาทเธอควรกิบบาท5 ห, หรือ1ิบบาทไปกินตรงนู้ดฟรีน้ำเหล้าก็ฟรีน้ำพึ่งก็ฟรีน้ำบรยสุตรสะอาดก็ฟรี น้ำเหล่าเบียร์ฟรีฟรหมดออกมาจากไหนออกมาจากเนี่ยยานรูฟรฟริดาออกมาตรงนี้อลอรอเนี่ถ้าเธอยังสงสัยว่าเอ้มันน้ํามีจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ดูตาน้ําที่มักกะตั้งแต่สมัยน บ, บีอะไรน บ, บีอิบรอฮีมน บ, บีอิสมาอีน้ํำซำๆไหลมากี่ปีแล้วเคยแห้งบ้างไหมแห้งบ้างไหมไม่เคยแห้งเลยคิด ฉะนั้นถ้าจะเอาน้ำ okay. พึ่งออกมาจะเอาน้ำน้อะไรนะน้ำสะอาดสะอาดออกมาเนี่ยอัลลอมันง่ายมากสำหรับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อ่าสรุปนะอินั้นทีนาอ่านและทำศรีษะแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีมานคู่กับอีมานและทำศรีฮะต้องทำอามันที่ศอและอามันที่ศอและเนี่ยใครแสดง นบีใช่ไหมนี่แหละนบีคนสุดท้ายนาบีมุฮัมมัดเนี่ยแสดงวิธีจะเป็นอามานจีซอลและนอนยังไงข้าวห้องน้ำยังไงนะครับแล้วก็แปลงฟันเออพูดเรื่องแปลงฟันนิดหนึ่งผมได้รับหนังสือตามฮายาเป็นภาษาอุน ด, ดูเมื่อสังอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยการแปลงฟันเนี่ยทำให้ปากสะอาดและทำให้อลลอห์พึงพอใจ ทีการแปลงฟันมีอยู่สองระบบระบบหนึ่งใช้แปลงซีฟันแล้วก็ใส่ยาที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยมันฆ่าแบคทีเรียรไม่ให้แบคทีเรียรมาทำลายปากเรากับมีอีกอย่างหนึ่งใช้มิสวามิสวาหมายถึงไมสูงีที่เราซื้อกันมาจากซาอุดีจากอินเดียนี่เยอะมากนี่มาจากต้นไม้เลยนะ ถามว่าสองรายการนี้อันไหนดีกว่ากันนี่ได้ไปพิสูจนะ์นหมดแล้วนะอุลมามะพิสูจน์เลยนะชายแปลงซีฟันที่ซื้อมาจากตลาดต้องใชา้ ย, ยาด้วยรักษาแบคทีรียไม่ให้เกิดแค่รักษาได้แค่สี่สิบนาทีฟอตติมินิตแค่สี่สิบนาทีแต่ถ้าหากว่าชายมิสวากีนะรักษาแบคทีรียด้วย ประมาณสชั่วโมงอา้าวใครจะเลือกเอาตามสุนทรนะนบีก็เชิญถ้าแอนตี้สุนทรนะนบีก็ชัดมิสวารชันคนรุ่นใหม่มันต้องอ ม, มันต้องได้นะแบกสีฟันล้วก็มีได้นะทุตเพสนะรักษาได้กี่นาที4ี่สิบนาทีอา้าวถ้าใครต้องการจะให้สี่สิบนาทีก็เชิญปฏิบั ต, บติใครจะเอามิสวารมาใช้รักษาปากได้กี่นาที สองชั่วโมงผู้เธอมีไหมมีสวชายชายชากันยังมีไหมไม่มีอยากได้ไหมให้ไปผมซื้อให้ใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์อินชาอัาลอล์ซื้อให้ซื้อให้อินชาอัลลอ์อินชาอัาลล์กี่นาทีแตช้ใช้มิสวักนานนานเท่าไรสองชั่วโมงถ้าใช้แปลงซื้อฟันแบบแบบคนสมัยใหม่เท่าไร 40นาทีจะเอาสี่สิบหรือว่าสองชั่วโมงในนานนะอิชาลอออิชาลออ้นี่อสุนนานนะดีมันยิงมันยิงเห็นขึ้นเรื่อยๆเอาล่อให้เห็นทีละน้อยแล้วน้อยแล้วน้อยแล้วนอยนะครับเอาต่อมาหยาที่หนึ่งรอยแปดอยู่ในสวรรค์อยู่งานนานกี่วันคอลีดีนาฟิฮาลายิบรุนอันฮาฮิวลา ตะกี้อิหมามอิหมามเฉลิมอ่านต้นนี้แหละ <c oughs> นี่ถ้ารู้ความหมายนะอลัลลอฮ์มันจริงๆอิหมามอ่านไปเราเป็น ม, มุมยืนฟังดีอืมอร่อยจริงๆริงอร่อยเพราะความหมายมันไม่ใช่เสียงถ้าเสียงดีด้วยอลัอลลอฮ์อักบะตอ่านมันจริงมาดูความหมายแปลว่าอะไรคอลีดีนะฟีฮ์ใครที่เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์นี่นะอยู่ในนั้นคอลีดีนะ เป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลเข้าแล้วไม่ต้องออกแล้วเข้าแล้วไม่ออกอยู่ในกุโบก็ต้องออกอยู่ในทุ่งมาชาติยืนก็ต้องไปอยู่ในไม่อยู่ในสวรรค์ก็อยู่ในนรกทีนี้พออยู่ในสวรรค์แล้วเป็นไงลายบารูนะบากยาบากูแปลว่า ประสงค์ลายบวะูนเขาไม่ประสงค์อันเาจากสวนสวรรค์ให้เวลาย้ายที่หรือเปลี่ยนที่ไม่ผสมไม่อยากจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนแล้วเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดไม่มีใครนี่อรรถเล่าเองนะไม่มีใครเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ระยะว่าขอเปลี่ยนที่หน่อยไม่ที่ไม่นี เลนแล้วขอยาลออย่าย่ายนะอลัลลอฮ์ทำไมไม่ย้ายลนะ่ะดูสิพออยู่ในสวนสวรรค์ปั๊บนี้นะอลัลลอ์ถอดเอาความรู้สึกที่เลวๆที่อยู่ในใจเราวันนี้เช่นอิจฉาริษยาผูกพยาบาดแก้แค้นวันนี้อยู่เต็มอยู่ในใ จ, ใจเราหมดเลยนะเอล่ะอัลลอฮ์บรรจุความอะไรนะความอิจฉาไว้นิดนึงความโกรธไว้นิดนึง ดันความดันดันทุรังไว้นิดหนึ่งแปะไว้นิดนิดนิดนิดนิดิ ด, ด, ดไม่มีใครเอนออนสักคนหนึ่งดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ความจริงเขาให้มาเนะ่ยให้มาควบคุมดันเอามาใชา้ไม่เคยควบคุมเลยแค่นั้นนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลตัวอย่างนะอย่างนาบีเนี่ยใครมาแกล้งนบีนบีให้อาภาัยหมดเลยอะ่ะเอาเช่นมีอยูขข่ครั้งหนึ่ง มีคนเอาคนคคนเยโฮดีเนี่ยรักนบีเอานําอาหารมาให้แล้วก็ใส่ยาพิษยิบดินลงมาบอกนบีก็รู้พกินปั๊บนี่ยาพิษเนี่ยก็ไม่สบายเป็นหลายวันนบีบอไปตามมาที่คุณให้อาหารมาเนี่ยพอไปตามมาก็บอกว่าที่ฉันเอาอาหารก็มียาพิษใส่ไว้เนี่ยถ้าหากคนที่เป็นนบีต้องรู้ ถ้าไม่ใช่นบีเนี่ยไม่รู้อ้าวกลับไปให้อาภัยเลย<笑><笑>เห็นยังนั่นนบีเป็นบุคคลตัวอย่างถามว่าเราหนามีไหมละ่ะเวลาใครรังแกเราอ้าวโยกโทษมีไหมไม่มีมึงมึงไม่ได้วันนี้วันหลังมึงถูกแนะ่แล้วมันจะเหลืออะไรละ่ะเอาลอดโทษสอบ ใ, ให้มีเรื่องนิดนึงแกผูกพยาบาลเป็นปีเลยเนี่ยโอ้กว่าจะลดได้นะี่เครื่องหน่าดูเลย ถ้าต้องการสวรรค์ชั้นฟิลดาวใครจะให้ <c oughs> ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาอ้าสรุปขอลีดีนะฟีฮาเมื่อเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วอยู่ไปตลอดลายบรหูนานฮาฮิาวาลาอยู่ไปตลอดไม่มีใครประสงค์ที่จะเปลี่ยนที่คือย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกแล้วอัลฮัมดุลิลลา ภาษาอังกฤษเรียกว่า paradise นะภาษาอุรดกก็เรียกว่าฟ i ด์สนะฟดสนะภาษาเบอร์ชียก็ใช้ฟ i ด์สเหมือนกันแปล ว, ว, นะว่าสวนนะอิลฟฟีลฟิลฟิดดสฟฟลอาหรับียะบางคนพูดว่าฟิดดสเนี่ยเป็นภาษาอาหรับและบางคนพูดเป็นภาษารมโรมัน แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็ไม่เป็นไรเราอ่านแล้วเข้าใจนะอ <c oughs> ต่อมาอายาที่หนึ่งร้อยเก้าเลวกนัลบาฮ์รูมิดดัลลิคัลิมัติรับบีเลนาฟิดัลบาฮ์รูกับลอันเตมฟิดกัลิมาตุรอบบี و د د ลล่าเราเจ้าหน้าบิมิส ل ิ ه นวอาอัะห์นี้ดีมากเลยอัยะห์นี้เนี่ยเราชมอัลลอฮ์นะนี่เป็นการชมอัลลอฮ์เลยฉะนั้นนบีนสั่งนะก่ อ, อนเนี่ยจะบายานี้นะใครที่ชมอัลลอฮ์ว่าวอย่างนี้อัลลอฮ์ว่าเบฮัมดีอัดัดขลัลกฮิฮิวริดานัฟซิฮิ ว่าจีน่าต้าอาร์ชิฮิวามิมาพรยาณนบีคนหนึ่งชื่อท่านหญิงยูไวรียะนบีมานอนที่บ้านท่านหญิงยูไวดียะก็ตื่นเช้าหลังน้ำมาซุปเนี่ยนบีก็ออกข้างนอกภรยาก็ตื่นอาบน้ํานมาดนมาดเนี่ยพอนบีกลับจากทุระประมาณสักสองสามชั่วโมง กลับมาจะเห็นพระยานั่งอยู่ในที่ละหมาดเหมือนเดิมนี่แหละน บ, บีก็ถามด้วยความภูมิใจนะ mm hmm. เธอนั่งในสภาพนี้ตั้งแต่ฉันไปใช่ไหมบอ mm hmm. กว่าใช่เลยงไม่ได้ย้ายที่เลย mm hmm. นั่งอ่านคุรานนั่งอิซิกรุลลอ mm hmm. น บ, บีก็บอกว่าฉันจะสอนดูอาให้นะแต่ดูอานี้นะผลและ บ, บุญก็เยอะเนี่ยเยอะเท่ากับเธอนั่งนี่แหละแต่ถ้านั่งด้วยก็ดีแล้วก็ว่าด้วยใช่ไหมอาบทไหน สุบฮานัลลอฮฺวับีฮัมดีฮฺอะดัดาขัลกิฮฺวาริดะนับซิฮฺวะซินะตักรชิฮฺวามิดัดากาลิมัติฮฺวามิดัดากาลมัติคืออะรนี้มิดดนี um ่แปลว่าน้ำมึกกาลิมาตพจน่าเอาน้ำมึกหมายถึงเอาทะเลมหาสมุทร ah ทั้งเจ็ดมหาสมุทรเป็นน้ำมึก แล้วก็เอาต้นไม้ในคุณอานายาอื่นเอาต้นไม้ที่อยู่บนโลกด้วยทําเป็นปากกาแล้วก็จุ่มหมึกในมหาสมุทรมาบรรยายพจะเจ้านาทของอัลลอฮ์เรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยก็เรื่องเรานี่แหละบรรยายน้ำมหาสมุทรหมดแล้วบรรยายนี่หมดอานอันนี้มาดูครับ กุลเรากานัลบาหูบาหูแปลว่าทะเลนะกุลเรากานัลบาหูจงกล่าวเถิดมุ hammad กุลแปว่าจงกล่าวเถิดมาถึงจงตับรียกจงสอนจงได้ว่าเถิดจงอธิบายเถิดเรากานัลบาหูถ้าหากทะเลมีดาดันเป็นน้ำหมึกโอใช่ไหมถ้าหากเอาทะเลเป็นน้ำหมึกเรากานัลบาหูมีดาดัน ถ้าเอาน้ําน้ำในทะเลเนี่ยเป็นน้ำหมึกลีกาลีมาติโอบบีสําหรับบันทึกพจนานสําหรับบันทึกการบรรดาลบริหารโลกใบนี้ของอัลลอฮ์นะเอาน้ําในมหาสมุทรเป็นน้ำหมึกนะครับมาอธิบายบันทึกพจนานาการบันดาลบริหารโลกใบนี้ของอัลลอฮ์ ที่สร้างให้กับมนุษย์เนี่ยนะลานากรีกริมาติรอบบีโพจนาตของพระผู้อภิบาลของฉันการิมาตแต่โพจนาตรอบบีพระผู้อภิบาลของฉันลานาฟิดัลบาฮ์รูนาฟิดาลนีปลว่าแห้งรนะเปลว่าแห้งลานาฟิดัลบาฮ์รูแท้ยิงทะเลจะเหือดแห้งอัลลอฮฺ ลานาฟิดาลบาฮฺรูกบลาอันตามฟัดะมัตุรบบีแน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อนที่พจนานของพระผู้อภาภิบาลของฉันจะหมดสิน้นเห็หมอลอันตามฟัดะตามฟดะกับลานาฟิดาเหมือนกันแปลว่าหมดสิน้นน้ําทะเลในแห้งไปก่อน เสร็จแล้วการพจน์บรรยายพจนานตการบริหารบรรดาลของโลกนี้ของอัลลอฮ์ยังไม่หมดแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เหลือเกินยิ่งใหญ่มากเลยมนุษย์ไม่สามารถจะบรรยายได้คุณอ่านตรงไหนครับ อ, อะไรนะว่อินตะอดูเนาะมัตัลลอฮิลาตุซูฮ่าแต่หาท่านทั้งหลายนี่นะจะนับเน า, ายหมัดของอัลลอฮ์เนี่ยนับไม่ทวนนับไม่ไหว ทีนี้อัลลอ์ไม่ต้องการอัลลอ์ต้องการให้พวกเราเป็นอย่างนะั้นนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆฉะนั้นเขาแนะนำอย่างนี้อุลมามะบางคนแนะนำดีนะก็บอตอนก่อนนอนนะให้นึกก่อนนอนนะนึกนึกอะไรบ้านหลังนี้อัลลอ์เป็นเนี่ยมัดของอัลลอ์เพราะว่าอย่างนี้ให้ว่าคำนี้นะซุบฮานัลลอฮ ลักษัคลักษัมดูว่าลกัคคุรอัลลอฮุมมะลักษัมดูว่าลักัคคุรแปลว่าอะไรโอ้อัลลอ์การสรรเสริญเป็นของอัลลอ์แล้วก็การขอบคุณเป็นของอัลลอฮ์นึกถึงบ้านโอ้บ้านหลังนี้สองชั้นของเรามีอยู่สี่ห้องมีห้องน้ำทุกห้องมีทีวีอยู่สี่ห้องอ่าสี่อะไรสอะไรนะสี่จอนะสี่เครื่อง Al Allahumma lakalhamdu walakasukru ขอบคุณ Allah มงไปหาพรรยา Allah นี่ Allah ให้พระรยานะเป็นเนิ้มัดเป็นความโปรดปรานของ Allah Allahumma lakalhamdu walakasukru นี่อุลมาแนะนำนะบางทีเราคิดไม่ออกอ้าวพอมองเห็นลูก Allah นี่ลูกหลานเติบนม า, นะมาสมบูรณ์กับเรานั่งอ่านคุรานขอบคุณ Allah นี่เป็นเนิ้มัด อัลลอฮุมมาละกาลฮามดุวาละกาชูครโอ้อัลลอ์ขอบคุณอัลลอ์สรรเสริญถึงอัลลอ์มองไปดูรถจอดอยู่ที่บ้านสามคันบางคนห้าคันทำด้วยลิลล่ะอัลลอฮุมมาละกาชูวะละกาลฮามดุมองไปดูข้างนอกอัลลอฮ์มีแพะไว้สิบตัวไว้รีดนมกินนมตามสุนานะนาบี นี่เป็นเนื้อ a a อัลลอฮุมมะลกาหฮัมดุวะลกาหชูครูมองมาดูร่างกายตัวเราอัลลอฮ์แข็งแรงขนาดผ า, าตัดมาแล้วหัวใจ ย, ยังเดินปุ๊บแข็งแรงอยู่เลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะลกาหชูครวะลกาหฮัมดุนอนได้อะเมื่อคืนนี่นอนสบายแต่ไม่ได้ตื่นนมาซุบอเฮ้ยไม่ได้ตื่นนามาทหารยุดแล้วก็เสียใจนิดหนึง่งไม่ดี แต่ตื่นมานะมาสุโบได้ um อัลลอฮุมมะลาการฮามดูวะละกาชูครอัลลอฮ์วะกะวะแเช้าๆนี่มีทีวีให้ดูแต่ทีวีทั้งละครด้วยแต่มาดูรายการศาสนาว่าง่าอัลลอฮุมมะลาการฮามดูวะละกาชครขอบคุณอัลลอ์แล้วก็ขอบคุณอัลลอ์สรรเสริญต่อ Allah, อัลลอฮ์การชุกชเป็นของอัลลอ์อะไรที่เป็นของดีๆทั้งหมดต้องนึกแล้วก็ชมอัลลอ์สุภาตรู้เปล่า พอชมอัลลอ์เนี่ยอะไรอะไรมันหมดอะไรหายตะกับบดเยอะยิงจงองของหายตะกับบดเยอะยิงจงองของนี่หายหมดตรงกับกุรอานนะละอินช um um าการตุมละอซีดานนะกุมแต่หาท่านทั้งหลายชุกโกตต่ออัลลอฮ์เยอะๆฉันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้กับคุณนี่วิธีเพิ่มก็คือลดด้วยง ลดตะกาบุญเยอะยิงจองหองอย่าลืมเยอยิงจองหองเนี่ยเอาล้อมให้เข้าสวรรค์นนะ่ะถ้าหากว่าในหัวใจของพเรามีตะกาบุญเยอะยิงจองหองโอหังอยู่ในใจสักนี้ดึงเท่ามเมล็ดมากาศมเมล็ดประกาศนี่น ะ, มะเม็ดประกาศอัลลอฮฺจะมาให้เข้าสวรรค์ท่านต้นนะึกถึงอัลลอฮฺเยอะๆนะ บุลาอกันัลบาฮูมีเดเดลิกลิมาติรอบบีจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดถ้าหากทะเลเป็นน้ำมึกสำหรับบันทึกพชนานการบรรดาบริหารโลกใบนี้ของพระผู้อภิบาลของฉันลานาฟิดัลบหรแน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อน กบละอันตามฟาดกาลิมาตุร บ, บีแน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อนที่พจนานาของพระผู้อภิบาลของฉันจะหมดไปว่าเราจินาบิมิสลีฮีมาดาดาถึงแม้ว่าจินาเราจะนำน้ำทะเลเป็นน้ำหมึกเยี่ยงนั้นบิมิสลีฮีเยี่งนั้น จะนำมาอีกเท่าหนึ่งมาดาดาเป็นน้ำหมึกก็ตามใบก็บรรยายไม่หมดนี่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของใครของอัลลอฮสุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮเรามีอะไรตัวเลกนิดเดียวพออายุ8ปสิบนก็ยกมือไม่ไหวเลยอยัาลอ แค่ปวดหัวเด่นเดก็เรียบร้อยฉะนั้นนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้อง Allah. อัลลอฮ์อัลกุบะด์อืมอทีนี้อุลมามะอธิบายดีนะความรู้ของเบาของมนุษย์นะ่ะเบาของอัลลอฮ์ที่นั่งอยู่มัสยิดนี่นะความรู้ที่ทุกคนมีอยู่มีอยู่มีอยู่หรือว่าทั่วโลกเลยก็ได้ความรู้ที่มนุษย์มีอยู่เนี่ยนะ ถ้าไปเทียบกับความรู้ของอัลลอฮ์องเดียวนะคนเดียวนะองค์เดียวนะกับ ค, นะ ค, นะความรู้ของมนุษย์เจ็ดพันล้านเนี่ยที่มีความรู้อะไรก็ตามอ่วิศวกรมุนมีนี่มีนี่มีนั่นอันนี้เรียนตับสืบอ่านเก่งหัดดิสเก่งฟืกนก็เก่งนาหูเก่งเก่งมดเอาความรู้ของมนุษย์รวมกันนี่นะเมื่อไปเทียบกับความรู้ของอัลลอฮ์นั้นเปรียบเสมือนอะไรนะ ก็ตราตรมิมาอิลเบฮเหมือนกระยดน้ำหยดเดียวของน้ำทะเลเอาน้ำทะเลขึ้นมาหยดหนึ่งนั่นเป็นความรู้ของมนุษย์ทั้งหมดโลกใบนี้เมื่อเทียบกับความรู้ที่อัลลอทรงมีอยู่เล็กนีเทียวฉะน่านห้ามตะก บ, บุดห้ามเยอยยิงบางคนเรียนจบมาฉันแน่ นึกได้จะให้ว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้มาเอาเราเนี่ยอัลลอฮ์เก่งมากดูเลยเวลาขึ้นบรรยายเนี่ยคนฟังเยอะไม่ใช่ฉันเก่ง น, นะอัลลอ์ให้มาอัลลอฮุมะละฮัมดูวะลกะชครเออมาวันไปสงขล า, ากมารเมเมื่อคืนเนี่ยคนฟังเยอะอยู่ในหอฮัมดุลิลลาห์ผู้โดสานาอย่างเดียวนะ คนก็ตื่นตัวกันเยอะนะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแค่นั้นฉําอธิบายง่ายๆคือผู้หญิงเยอะเนี่ยที่เที่ยบที่อังกฤษผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเยอะมากแล้วก็ผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แต่งงานอ่ะแล้วก็แอนตี้เรื่องการแต่งงานเนี่ยถ้ามีถ้าถ้าผู้ชายมีพระยาอยู่แล้วนี่นะจะไปแต่งคนที่สองเนี่ยแอนตี้กันหมดเลยนะมีการวิจัยกันอย่างนี้ ผู้หญิงที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีเหลือเยอะมากมาเป็นเป็นเป็นแ ส, น, สนล้านล้านคนน่ะเขาวิจัยบอกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยนอนกับหมานะเวลามีอารมณ์เซ็กเนี่ให้เอาหมามาเป็นมานอนด้วยกับเวลามีอารมณ์เซ็กให้นอนกับหุ่นตุ๊กตาใช่ไหมที่ญี่ปุ่นทําสวยมากนะทําดีด้วยเหมือนเหมือนเหมือนผู้ชายเลยแหละดีกว่าผู้ชายอีกหนึ่งให้อยู่กับแพร่แต่งกับ สุนัขให้แต่งกระหุูยนต์แล้วก็ให้มีกิ๊กจากกิ๊กใช่ไหมนัดแน่กันจะไปทำดีนากันแอบแอแอ บ, แอบทำดีนาแล้วก็ให้เป็นภรรยาคนที่สองที่สามที่สี่ของของผู้ชายคนหนึ่งให้เลือกสี่ข้อปรากฏว่าผู้หญิงสมัครเป็นภรรยาที่สองที่สามที่สี่ไม่ชอบจะจะอยู่กับสุนัขไม่ชอบทจะจะอยู่กับใครนะ คุณยนและไม่ชอบที่จะอยู่กับอะไรนะจิกสามข้อนี้ไม่เอาชอบที่จะเป็นภรยาของใครก็ได้ที่สองที่สมที่สีนี่ลักของใครของใครรับอิสลามใช่ไหมรับอิสลามโดยไม่รู้ตัวนะอยู่กับมาเอาไหมไม่เอาอยู่กับกิ๊กเอาไหมไม่เอาอยู่กับคุณยนเอาไหมไม่มีใครเอาเอามันกันก็มีบางคนเอาแต่ส่วนใหญ่ ขอเป็นภระยาคนที่สองที่สามถ้าผู้ชายมันน้อยจริงๆเนี่ยโอเคเห็นอย่างนอิสลามมาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่อลัลลอฮ์เคเห็นเยอะท่านใครที่ดันทุรังนะแอนตี anti ้ซุนนะนาบีใครขาดทุนคนที่แอนตี้นะขาดทุนเองอย่าลืมว่านาบีนั่นมีใครรับรองนาบีเข้าๆนาบีมีกี่องค์กรซีมีอัลลอ มีจิบรีลมีมุเมนมีมลาอิกะไม่พอรลยใ่สุดแล้วนะครับอาต่อมาอายะสุดท้ายนะครับ a l อ i น n a ma a รุมมิสล r u m m i s l u อ u m yuha ila ya a n ฮ a ila hukum ila huwa hid ฟังนั้นคานยารจูลิข้อรบบีฟัลย์ย์แงล์แงล์นั้นซัลลิห์ะว่าลายูชริคบีแงบาดต์รบบีอะห์ดาอัลลอฮ์อะยาดีดีมากเลยเนี่ยดูคำแปลก่อนนะจงกล่าวเถิดโมฮ์มะมัดกุลอินน่ามานี่อัลลอฮ์บอกกันนะบอกกับนบีใ n, ih, ana, n, abi, n abi ah. ้นบ n มาสออ ฉันนบีพูดนะอนาณาฉันฉันเนี่ยฉันเป็นอะไรบาชารบาชาร์แปลว่าเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาอาณาบาชารุนฉันเป็นคนธรมนธรมดาคนธรรมดาอธิบายอย่างนี้เหมือนใครมิสลูกุมเหมือนพวกท่านทั้งหลายเหมือนมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกดุญญนยาแบบนี้นบีเหมือนมนุษย์ทั้งหมดมีอะไรบ้างหนึ่ง มีหิวแล้วก็มีกระหายสองมีง่วงนอนแล้วก็มีนอนนบีนะนบีนะสามมีเหนื่อยเวลาเดินก็ต้องเหนื่อยส ม, มีเหนื่อยสเวลาถูกของมีคมถูกมือเป็นแผลนบีเคยข้อห้าเวลาถูกมแมลงปองต่อย เจ็บไหมเจ็บมีอยู่ข้างหนึ่งนบีกําลังนมาอยู่มีแมลงป่องมาตอ่อยกำลังนมาอยู่นะ่ะแมลงป่องมาต่อยผมก็ น, นึกถึงผมเดินข้าวบ้านตอนสองทุ่มคงึงูกัดอแล้วก็อ่านรูอานะ่ะนบีก็บอกแม่อย่ารอสาบแช่งรถ เนี่ยลดความใบรลดอะไรลดความดีกับสัตว์ที่มารังแกนบีแม้แต่คนอามาตมายเอากัดเลยนะเห็นไ้มฉันนบีเป็นคนธรรมดาฉันนั้นห้ามกราบนบีห้ามไหว้นบีแต่ให้ทําเชื่อตามที่นบีสอนเพราะนาบีว่าอานาบชรุมมิสลูกุมฉันเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านทั้งหลายแต่ที่พิเศษก็คือ ยูฮา uh ah. อิ uh ah. ไลยาอ่ายูฮาอิไลยาแปลว่าได้มีวะฮีแก่ฉันเท่านั้นที่ไม่เหมือนมนุษย์ที่พิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาก็คืออัลลอฮ์แต่งตั้งให้นบีให้มหมฮัมหมัดเป็นนบีและประทานอัลกุรอานประทานวะฮีลงมาให้กับท่านนบีมมฮัมหมัดมันแตกต่างอยู่ตรงนั้นนิดเดียว อ, อันทีนี้ วะฮีให้ความรู้กับท่านนาบีรีเวล์รีเเลชันลงมาที่ใจนบีนะอหุอกท่านานาบีนะ่ะให้พูดเรื่องอะไรให้สอนเรื่องอะไรเรื่องใหญ่ก็คืออันนามอิลลฮูกุมอิลลฮูวะฮีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องอัลลอฮ์ลดพระเจ้าย่อยๆให้หมดเหลืออะไรเหลืออัลลอฮ์องเดียว นี่เรื่องใหญ่ที่อัลลอ์่งนบีมุฮัมมัดมาแล้วก็ส่งนบีท่านอื่นอื่นอีก24ท่านเนี่ยมาสอนเรื่องเดียวละอิลลาฮ์อิลลัลลอฮอิลลาแปลว่าอะไรละอิลาฮ์อิลลาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์กราบอะไรที่มนุษย์กราบเป็นอิลลาหมดนี่ถ้าประกาศกราบตรงนี้นะต้นดอกใบนี้เป็นอิลลา ถ้ากราบดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นอีละถ้ากราบดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นอีละถ้าไปกราบต้นกล้วยออกปีกลางต้นต้นกล้วยเป็นอีละพอมนุษย์กราบสักคนหนึ่งสิ่งนั้นเป็นอีละอลัลลอฮ์เลยให้ประให้นาเบีประกาศว่าแลอีละพระเจ้าย่อยๆในโลกนี้ไม่มีทิ่พระองคตั้งขึ้นมาเป็งของปลอมของเท็จทั้งหมดแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอินลลอนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียว อารมณ์ของเราเนี่ยก็เป็นอิละได้ไหมได้ที่เอาล้อให้อารมณ์มานะโกรธอะไรนะรักผูกพยาบาทแก่แค้นนี่เป็นอิละทั้งหมดนะถ้าเรานึ ก, กว่าฉันต้องอย่างงี้ย่างางี้อิละถ้าถ้าลดอิละของเราเนี่ยนะที่อยู่ในใจเนี่ยยึดสุนานนะนบีจะ้ะอู้อักบัดคุณนบีพูดอย่างงี้ลายุมินอูอห่าดกลม คนหนึ่งคนใดจาพวกท่านเนี่ยจะไม่มี إ ي م านฮัตตาอากูนะ่ะจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งมากกว่าใครนะมากกว่าพ่อของท่านมากกว่าลูกของท่านมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดท่านคนที่รักนาบีมากกว่าลูกตัวเองมากกว่าพ่อตัวเองมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดคนนั้นแหละเป็นคนที่มีอ إ ي م านที่สมบูรณ์รวมไปถึงอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับเอา อันนมามอิลลูกุมอิลลูวาฮิตได้มีวาฮีแก่ฉันว่าพระผู้อภิบาลนะครับพระเจ้าของท่านก็คือพระผู้อภิบาลเพียงองค์เดียวเท่านั้นวาฮิตแปลว่าอัลลอ์มีองค์เดียวนะวาฮิตอัลลอฮอุสมรรอัลลอ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่า ง, างต้นโตตะเกียรไม่ใหญ่ตัวระยองไม่ใหญ่สึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ใหญ่นะครับ ฟังกานายรยูลีโกอรอบบยรยู่แปลว่าอะไรนะหวังหวังจากนั้นผู้ใดหวังที่จะลิโกแปลว่าพบปะผู้ใดที่หวังจะไปพบปะกับพระผู้อภิบาลของเขาเมื่อไรเนี่ยตายแล้วฟื้น ตายก่อนพอตายเนี่ยเห็นเห็นอลัลลอฮ์แล้วพอฟื้นขึ้นมาก็ยิ่งเห็นใหญ่เลยใช่ไหมทีนี้ใครที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ขณะนี้ใจนึกถึงอลัลลอ์ฉันอยากจะเห็นอลัลลอ์จะพบกับอลัลลอ์ให้ทำยังไงถ้าอยากเห็นอลัลลอ์จะพบอลัลลอฮ์จริงๆจะทำอย่างนี้หรือก็อารบิฮิพบกับผู้อัยบาลของเขา ฟัญยาอมาหลามาลองโซลีฮงานที่จะต้องทำก็คือจงทำงานที่ซอลแล้งงานที่ซอแลนะน่คิดเองได้ไหมงานที่ดีๆคิดเองได้ไหมไม่ได้งานที่ซอแล้ก็คืองานที่อัลลอฮแต่งตั้งนบีมาทัมดขึ้นมาแล้วก็นบีก็ทำเป็นรูปแบบนะไม่ใช่ไม่ใช่งานนะความคิดด้วย ความคิดของท่านนาบีเนี่ยเราก็ต้องคิดพยายามคิดเหมือนท่านนาบีโอ้นบีคิดยิ่งการเมืองก็เหมือนกันมันต้องการเมืองแบบนบีการเมืองแบบคอลีฟ่าท่านอุมัตท่านอบูบากาท่านอาลีท่านอุสมานอย่าลืมว่านาบีเป็นนักการเมืองไหมใช่เป็นนักการเมืองเลยแหละแต่เขาไม่เขาไม่พูดกันใช่ไหมท่านอบูบากาการเมืองไหมนักการเมืองครับ ยิ่งกับสส อ, อีกยิ่งกับรัฐบาลอีกมันใหญ่กว่านั้นทั้งเยอะแยะสังเกตนะที่นบีมาปกครองโลกเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปคนเลิกทําความชั่วอยู่สอนไปสอนไปไม่ใช่บริหารบ้านเมืองบริหารคนด้วยอ้ารู้ได้ไงบนบริหารคนละคนเนี่ยกลัวทําบาปกันหมดอ่ะมีผู้หญิงอยู่คนนึ่งไปทาสีนามาในสมัยนบีน่ะ พอไปทำดีนามาท่องเดินมาหานบดุบาบิอาบิจะหนูท่องอันบนบาบริหารประเทศยังไงบริหารบ้านเมืองยังไงอ่ะชาวบงชาวบ้านนี่ทําบาปไปหานาบีุบหมดต้องการจัต่อบ้าตัวกันหมดน่ะแต่นักการเมืองวันนี้อัลลอฮฺอาะกับบัสคนที่เดินตามสสอผมเคยถามอ่ะตอนเดินตามสสออนะ่ะอาจารย์ไม่ได้นามาดเลย ไปเระบริหารบ้านเมืองยังไงล่ะบริหารมากมากคนยิ่งเลวขึ้นเลวขึ้นเลวขึ้นเราเราเราไม่พูดนะพูดว่านาบีเป็นนักบริหารบริหารบ้านเมืองบริหารคนท่านอบูบักบริหารบ้านเมืองบริหารคนเพราะนึกคนละอย่างอ่ะท่านนบดุลเบีมหมัดนึกยังไงรู้ไหมนึกอยังงี้ ยาร์ดูลิกออรอบบีทําความดีบนโลกดุนยาบนันนี้หวังจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ท่านอบูบักกุมอนการบริหารโลกบริหารบ้านเมืองนครนครบดนนี้น ะ, นนะนนนะไม่ใช่บริหารแล้วต้องมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ด้วยฉะนั้นเวลาพูดถงดึงการเมืองเนี่ยนะมันจะไมออ่อย่าเข้าใจาว่าการเมืองคือความสูงสุดของชีวิตไม่ใช่ การเมืองคืออวซีละคือสื่อเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งใช่ไหมเหมือนกับเรามีสตังอะไม่ใช่กราบเงินมีเงินไว้เพื่อให้อลลอฮฺพอใจทําการเมืองเพื่อให้อัลลอฮฺพอใจแล้วก็ให้รางวัลในโลกอาคีรอ่นั่นก็เรียกมาก้อเซ็ปเป้าหมายของการบริหารบ้านเมืองเราอยู่กับลูกภรรยาเรานะ่ะระวังระวังจะใครอะจะอลลอฮฺใช่ไหม เหมือนกันพรรยาทมผิดให้อภัยหวังอะไรหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺฉะนั้นดุลาทางานมันต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮดิงฝะฟมังกานะยะรยูลิกออาลอบีฮีใครที่หวังว่าเขาจะไปพบกับพระพู้อภิบาลของเขาให้ทำไงครับฟัญย่ามะลามลันลิฮา จะเป็นงานบ้านงานเรือน ง, งานโรงเรียนงานสมาคมงานมูลนิธิงานการเมืองเหมือนกันฟันย่ามามหามาลั่นโลีฮะพยายามทำํำงานที่เรารับผิดชอบอยู่นั้นให้เป็นงานที่สอและงานที่ส อ, อนและเอามาจะใครเอามาจะท่านนา บ, บีมุฮัมมัดสุลตานุสัลัมอย่างบางคนนั่ ง, งหาอ่ะอ้าปากวัวถาอมอามาจากโซเลไหมมาจะกโซเล พราจะใหาสแล้วต้องทำไงเอามือปิดปากเห็นไหมพอไม่เอามือปิดปากภาพงานของเราแล้วมไัไม่ได้ตามใครเลยพอเอามือปิดปากนึกโอ้นี่นบีสังให้ปิดเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเ ว, วลาไอเพราะอาภาชนา้าขึ้นมาปิดเวลาจามว่าไงอัลฮัมดุลิลลา์นี่อามันจะสอนแล้วเหมือนใครเหมือนนบีมุฮัมมัดสุลล็ออะ ล, ล, ยะลัยฮสซาลลัมคนที่ได้ยินว่าไง ยาทำมุกอ oh. ah um oh um ัลลอฮ์ราคนจามกล่าวว่าไง ي ย่าดีก ل ل อัลลอฮ์วาญุนี่ไงอามันฑิสร้ายทั้งหมดนะเอาต่อมาครับเมื่อมีอามันฑิสร้ายยังไม่พอวาลาญุสลิกอ่าอย่าทำอะไรอย่าตั้งภาคีบีอิบาดะติรบีในการเคารพภักดีพระผู้อบิบาลของเขาอาฮดาแปลว่าอะไรนะแม้แต อันหนึ่งอันใดก็ไม่ยอมให้อย่าตั้งภาคีกับอลัลลอฮ์เด็ดขาดคําว่าตั้งภาคีกับอัอตรงนี้หมายถึงชิริกเล็กนะตั้งภาคีอย่างนี้อย่าได้นะอย่าทําบาปใหญ่มาถึงการาบบูชาสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์บาปเล็กชิริกเล็กก็คือโอ้ววดอ้าโอ้วอวดนี่ชิริกเล็กนะเอามายืนนมาดอาลัลลอฮ์ให้คนเห็น ใจนึกแค่นี้แหละให้คนดูชฉลกเล็กแต่งตัวสวยๆนั่นไม่ชฉลีกนะเพราะว่าอัลลอ์เนี่ยชอบคนสวยรอบของดีๆฉะนั้นใครจะแต่งตัวดีๆไม่มีปัญหาแต่ใจต้องสะอาดน ะ, าดะด อ, อาลัละตุนตทีนี้อุลมะอธิบายอีกนะบางทีคนหนึ่งเนี่ยทำทำ ท, ำทำอามันฑิซอแล้ว แล้วเขาเนี่นะไม่ต้องการให้ให้คนอื่นเห็นอย่างเนี้ยนัมาสุนัตก่อนนมมาสุบวานมมาที่บ้านหลังนมาซูรีเขานัมาานบีนมมาที่บ้านหลังนัมาาอัสสไอหลังนมมาอีมะกฤษนมมาที่บ้านนมาาอิชาหลังนมาาอิชานมมาที่ไหนที่บ้านเพื่อไม่ให้คนเห็นความดีต้องทําอย่าให้ใครใครเห็นนี่นะส่วนนัมมาฟารดูเนี่ยให้ทําที่โล่ง เพื่อให้คนมันเห็นก็แต่นมาศกันใช่ไหมแต่สมาสุนัตเนี่ยเก็บมาสมาที่บ้านแต่มีชายบางคนเนี่ยถามท่านนาบี ว, ว่าฉันนะ่ะแอบทำของดีๆที่บ้านแต่คนมาเห็นแล้วเอาไปคุยข้างนอกอะ่ะโอ้โหคนนี้ดีจังเลยมันนมาศเกง่งอ่านกูนอ่านเกง่งอย่างนี้นะ่ะเป็นการโอ้อวดไหมนบีตอบไม่ใช่นบีตอบแบบนี้ติละอาจิลบูรลมุมินอาจิลแปลว่า สดสดนักกอตนกอตภาษาอุดุพูดประจำนลยนะคือคนที่ทำความดีแล้วได้รับรรางวัลตอบแทนแบบสดสดเลยคือมีคนชมคุณเก่งมากเนี่ยมันข่าวดีที่อัลลอให้แต่อัยรางวัลจริงๆจะได้ที่ไหนนู่นในสวนสวรรค์นู่นยังไม่ตายดันได้มาแสดงว่าอัลลอฮฺอัลลอนักกอตนักกอตสดๆๆสด จ่ายสดประจ่ายแห้งก น, น่าดีกว่ากันแน่นอนค้าขายที่มันต้องจ่ายสดใช่มหมฉะนั้นน่ความดีทั้งหมดนี้เรายังไม่ได้รับสดสดแต่จะรับตอนแห้งแห้งมาถึงวันเกียวมาต้องรอไปอีกแต่ธนาคารบางค้าออนไลน์ก็จ่ายสดเลยเอาไปเอไปอไ ป, อ ไ, ป <c oughs> ได้เล็กน้อยมีคนมาชมอ่ะโอ้โหคุณเฉลิมดีมากๆเลยขนาดป่วยอยู่โรงพยาบาลยังน้ำมานไม่คาดเลย โอ้ยูซุปหน่าดูเลยนาหวานก็ขาจะนมาดไม่ทิ้งไอ้เงี้ยนี่คนชมนี่นักก๊อตหมดเลยก็เลยว่าสดสดสดสดสดอันนี้มีอุลามะแนะนำใครที่ต้องการจะลุกขึ้นนมาดทหัรยุดตอนกลางคืนแล้วกลางนี้มันชอบนอนเก่งแล้วก็ตื่นไม่ไหวสักทีหนึ่งอุลามะน้ามา์ชานนบีนะนบีก็สอนเหมือนกันสอนอย่างเงี้ให้อ่านสุร้อนี้ ท ah, ี I mean, ่ท nah. ่านอ่านมาช้าเนี่ยอะไรนะอ้ยนีแหละอะไรนะอินนัอ่ากุลอินนามะตกุลอินนามะอันนบะชรุมมิสลุุมยูฮาอิลยะอันนามะอิลาฮุกุลเราบาฮมิดาแ่สสอนี้นะกุลเราแค่มิดาดัลิลิมาบบี لنا في ا ل ب َ ح ر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما دادا قل إنما أنا بشر م س ل ك م يحيي لا إله إلا ك م إله واحد فمن كان يرجو لقاب ربه فليعمل عملا صالحا วะลายุชริกบิะีบาดะที่รับบีฮีอหดะอันคอนอนแล้วก็อลลอจะให้ตื่นแบบง่ายง่ายเมื่อคืนพ่อขาอ่านพ <c oughs> มกัวจะมามานมาโซโบมไม่ทันเน <c oughs> พระาะเมื่อคืนกลับมาจากหาดใหญ่ก็ดึก <c oughs> พาออ่านเจอพอดีพ <c oughs> มอ่านเลยกูอินอิมาอานบอชรุมมิสลุกุนอ่านตั้งหลายเที่ยวไนหะตื่นแน่ ตื่น <observer> ก่อนอาจารย์ด้วยอาารชาไปวันนี้ใช่ไหมอ่านี่เป็นต้นเอาละครับหมดเวลาระยะไปหน่อยสุภาพนะรอุมมวีัดกชดลิลลฮอิลลัฮอันตะอัสตฟิุกวะตบลกุลมอลัยกุมวระห์มตุลลอฮิวะบระกตุ